หรืออาจบัญญัติด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเลยก็ได้แต่ไม่ว่าสังคมจะบัญญัติว่าอย่างไรก็ตามความเป็นไปตามกรรมนิยามก็ยอมเป็นไปของมันตามปกติหาได้เปลี่ยนไปตามบัญญัติของสังคมไม่ยกตัวอย่างสมมุติว่าในสังคมหนึ่งคนถือว่าการเสพสิ่งเสพติดมืนเมาเป็นการกระทำที่ดีงามทำให้คนมีความสุขควรสนับสนุน ถือว่าการมีอารมณ์รุนแรงเป็นสิ่งที่ดีถือว่าควรปลุกเร้าคนให้ตื่นเต้นเคร่งเครียดอยากได้อยากเอาวิ่งหาแข่งขันอยู่เสมอจะได้ทำงานสร้างสารรค์ได้มากถือว่าค่าคนพวกอื่นเป็นความดีหรือประนีตขึ้นมาอีกว่าค่าสัติราชานไม่บาปเป็นต้นกรณีเช่นนี้ถือได้ว่าความดีความชั่วในสมมตินิยามขัดกับกุศลและอกุศล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 แต่เสื่อมเสียความประณีตความนุ่มนวลละมุนละไมและความละเอียดลึกซึ้งเป็นต้นอนหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่าเจตนาอีกสักเล็กน้อยเจตนาในทางธรรมะมีความหมายละเอียดอ่อนกว่าที่เข้าใจกันทั่วไปในภาษาไทยกล่าวคือในภาษาไทย มักใช้เจตนาต่อเมื่อต้องการเชื่อมโยงความคิดที่อยู่ภายในกับการกระทาที่แสดงออกมาในภายนอกเช่นว่าพูดพลังไปไม่ได้เจตนาหรือเขากระทาการโดยเจตนาเป็นต้นแต่ในทางธรรมะคือตามหลักกรรมนี้การกระทาการพูดที่แสดงออกภายนอกโดยจงใจก็ดีความคิดต่างๆแม้เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้น ชั่วครูชั่วขณะแล้วผ่านไปผ่านไปภายในจิตใจก็ดีการคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลนักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ดีความรู้สึกและท่าทีของจิตใจต่อสิ่งต่างๆที่ได้ประสบทางตาหูจมูกลิ้นกายและที่ระลึกหรือนึกขึ้นมาในใจก็ดีล้วนมีเจตนาประกอบอยู่ด้วยทั้งสิ้นเจตนาหรือเป็นเจตจำนงความจงใจ การเลือกอารมณ์ของใจตัวนำที่หันเหชักพาทำให้จิตเคลื่อนไหวโน้มน้อมไปหาหรือพละไปจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมุ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการหรือตัวเจ้ากี้เจ้าการของจิตว่าจะเอาอะไรไม่เอาอะไรกับเรื่องใดอย่างไรเป็นตัวการจัดแจงแต่งวิถีทางของจิตและในที่สุดก็เป็นตัวการปรุงแต่งจิตนั้น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 ย่อมไม่มีส่วนใดที่ไร้ผลเสียเลยแต่ผลนั้นจะสำคัญแค่ไหนนอกจากเป็นไปตามความแรงและปริมาณของสิ่งที่สั่งสมไว้ยังสัมพันธ์กับคุณภาพและการใช้งานของจิตในระดับต่างๆอีกด้วยฝุ่นละอองปลิวลงจับท้องถนนกว่าจะทำให้รู้สึกสกรปรกก็ต้องมีปริมาณมากมาย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 น้ำสะอาดและน้ำสกปรกมีหลายระดับเช่นน้ำครามในท่อระบายโซโครกน้ำในแม่น้ำลำคลองน้ำประปาและน้ำกลั่นสำหรับผสมยาฉีดเป็นต้นน้ำครามพอใช้เป็นที่อาศัยของสัตว์หลายอย่างได้แต่ไม่เหมาะแก่การใช้อาบไม่อาจใช้กินหรือทำกิจที่ประณีตอื่นๆน้ำในแม่น้ำลำคลองใช้อาบน้ำซักผ้าได้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 จะใช้น้ำมีคลื่นกระเพื่อมกระชอกบ้างก็ได้แต่บางกรณีอาจต้องใช้น้ำสงบนิ่งอย่างที่แม่แต่วางเข็มเย็บผ้าลงไปก็ลอยนิ่งอยู่ได้นานคุณภาพของจิตที่หยาบและประณีตซึ่งสัมพันธ์กับการใช้งานและการเข้าถึงคุณวิเศษต่างๆที่ชีวิตจะเข้าถึงได้ก็พึงเข้าใจโดยทํานองนั้น สมมุตินิยามกับกรรมนิยามแยกต่างหากกันผลในฝ่ายกรรมนิยามยอมดำเนินไปตามกระบวนการของมันเองไม่ขึ้นต่อบรรยัญญติของสังคมที่ขัดกับมันดังที่กล่าวมานี้อย่างไรก็ดีเพราะเหตุที่นิยามทั้งสองนั้นมีแง่ที่สัมพันธ์กันดังกล่าวมาแล้วโดยลำดับตั้งแต่ในข้อที่หนึ่งดังนั้นผู้ปฏิบัติถูกต้อง ในแง่ของกรรมนิยามคือทําตามหลักกุศลก็อาจาประสบปัญหาจากสมมุตินิยามที่ขัดแย้งนั้นได้เช่นผู้ที่อยู่ในสังคมที่ชื่นชอบการเสพสิ่งมึนเมาแต่ไม่ยอมเสพด้วยเขาย่อมได้รับผลตามกรรมนิยามคือไม่เสียคุณภาพจิตที่โปร่งผองไสไปเพราะเหตุจากของเมานั้นก็จริงแต่ในแง่สังคมซึ่งต่างหากจากกรรมนิยาม เขาอาจถูกเ ย, ย้ยหยันล้อเลียนเช่นว่าไม่เข้มแข็งหรือถูกมองในทางไม่ดีในแง่สังคมอย่างอื่นๆอีกและแม้ในแง่ของกรรมนิยามเองเขาอาจประสบปัญหาจากเจตนาฝ่าฝืนข้อนิยมนี้ของสังคมอย่างที่กล่าวในข้อหนึ่งเกิดความขัดแย้งในทางจิตใจซึ่งจะมากน้อยเพียงใดแล้วแต่ปัญหาที่จะปลดเรื่องจิตของเขา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 ที่เห็นว่าขัดขวางความเจริญของตนจนในที่สุดก็ได้ทราบว่าการกระทาของตนมีหลายส่วนที่ได้เป็นไปด้วยความหลวงผิดแม้สังคมจะดูคล้ายเจริญก็จริงแต่ได้ก่อพิษภัยแก่ชีวิตด้านร่างกายเป็นอันมากจนถึงกับว่าถ้าขืนก้าวหน้าในลักษณะเดิมต่อไปอาจกลายเป็นการดาเนินสู่ความพินาศเสื่อมสูญก็ได้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 ก็มองดูง่ายๆจากผลของการกระทาแม้แต่ที่เป็นไปตามบัญญัติของสังคมสำหรับคนทั่วไปการพิจารณาด้วยหลักทั้งสามนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีการตรวจสอบลหลายชั้นเพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างรอบคอบโดยสรุปเขียนวินิจฉัยกรรมดีและกรรมชั่วมีว่า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 อโมหะหรือเกิดจากอากุศลลมูลคือโลภะโทสะโมหะพิจารณาตามสภาวะว่าเป็นสภาพเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่ทำให้จิตสบายไร้โรคปลอดโปรงผ่องใสสมบูรณ์หรือไม่ส่งเสริมหรือบันรอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิตช่วยให้กุศลธรรม สภาพเกือ้อกูลทั้งหลายจเจริญงอกงามขึ้นอากุศลธรรมทั้งหลายลดน้อยลงหรือทำให้กุศลธรรมลดน้อยลงอากุศลธรรมเจริญงอกงามขึ้นตลอดจนมีผลต่อบุคลิกภาพอย่างไรเกณฑ์ร่วมใจมโนธรรมคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองพิจารณาว่า การที่กระทํานั้นตนเองตีเตียนตนเองได้หรือไม่เสียความเคารพตนอยู่หรือไม่พิจารณาความยอมรับของวินยูหรือนักปราชหรือบัณฑิตชนว่าเป็นสิ่งที่วินยูยอมรับหรือไม่ชื่นชมสรรเสริญหรือตำหนิตีเตียนพิจารณาลักษณะและผลของการกระทําต่อตนเองและต่อผู้อื่น เป็นการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นทำตนเองหรือผู้อื่นให้เดือดร้อนหรือไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขหรือเป็นไปเพื่อโทษทุกข์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นหลักเกณฑ์นี้อาจสรุปได้อีกแนวหนึ่งด้วยํำนวนสแสดงการจัดประเภทของเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินแต่มีข้อที่ต้องทำความเข้าใจกันไว้ก่อนบางอย่างกล่าวคือ ประการที่หนึ่งให้ถือว่าการพิจารณาในแง่ของกุศลละมูลอกุศลละมูลและกุศลอกุศลนั้นว่าโดยสาระเป็นอันเดียวกันคือมุ่งพิจารณาความเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลต่อคุณภาพของชีวิตจิตใจอีกประการหนึ่งการยอมรับหรือไม่ยอมรับของประดการติเตียนหรือสรรเสริญของวินยูนั้น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 และสิ่งที่ถือตามกันมาเหล่านี้ก็ไม่จําต้องเป็นข้อที่วินยูติเตือนเสมอไปแต่ก็พอจะพูดได้ว่าส่วนที่แตกต่างนี้เป็นข้อยกเว้นซึ่งก็เป็นกิจของวินยูนั่นแหละที่จะต้องมันสอบสวนตรวจตราในเรื่องเหล่านี้ในแต่ละการแต่ละสมัยแต่ละครั้งแต่ละคราวเรื่อยไปจึงมักมีพุทธพจน์ตรัสสำทับว่าอนุวิจาวินยู วินยูใกล้ครวนแล้วจึงติเตียนหรือสันเสริญคือยอมรับหรือไม่ยอมรับและจะเห็นว่าวินยูนี่แหละเมื่อใกล้ครวนแล้วก็ได้เป็นผู้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติบัญญัติกันมาผิดหรือเคลื่อนคลาดจากความหมายที่ถูกต้องเช่นพระพุทธเจ้าทรงติเตียนไม่ยอมรับระบบวันณนะและการบูชายันเป็นต้น เมื่อทำความเข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็สรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วหรือกรรมดีกรรมชั่วทั้งตามแนวกรรมนิยามล้วนๆและกรรมนิยามที่สัมพันธ์กับสมมุตินิยามทั้งโดยสภาวะและโดยคุณค่าซึ่งเป็นคุณค่าโดยสภาวะบ้างคุณค่าตามที่กำหนดให้บ้างแล้อีกจำนวนหนึ่งมีสาระอย่างเดียวกับข้อสรุปข้างต้นนั่นเองแต่จัดจาแนกข้อต่างกันมีใจความคาบเกี่ยวกันดังนี้ ข้อที่หนึ่งว่าโดยคุณโทษต่อชีวิตหรือต่อจิตใจและบุคลิกภาพคือเป็นสภาวะที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่เอื้อหรือไม่ต่อคุณภาพชีวิตส่งเสริมหรือบันรอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิตทำให้กุศ ล, ลธรรมหรืออกุศลธรรมทั้งหลายอื่นลดถอยหรือเจริญงอกงามหรือสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีงามหรือไม่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 ว่าโดยมาตรฐานทางสังคมคือตามบัญญัติทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและสถาบันต่างๆทางสังคมเช่นกฎหมายเป็นต้นซึ่งขึ้นต่อการใกล้ครวนตรวจสอบกลั่นกรองของวินยูทั้งหลายตามกาลสมัยที่จะไม่ให้ถือกันไปโดยงมงายหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนตลอดจนการใกล้ครวนแล้วยอมรับหรือไม่ของวินยูเหล่านั้นในแต่ละกรณี